หาระลักษณหาระก็คือคือหาระที่มีลักษณะการจดจำธรรมที่ไม่ได้กล่าวโดยอาศัยธรรมที่กล่าวแล้วมีสภาพเหมือนกันโดยลักษณะกิจเหตุผลเป็นต้นเนี่ยนะมันลักษณะหาระเนี่ยนะมาดูว่าคาว่าตสมารักขิต ะ, ะ, ตะจิตต ะ, ะเนี่ยนะเป็นผู้รักษาจิตแล้วก็สามมีสามมาสังกปะเป็นโคจร อ, อันนี้หมายถึงอะไร สเตนซีมันคนที่มีสตินี่แหละจึงจะรักษาจิตไว้ได้นะคนที่มีสตินี่แหละจึงมีความดําริดชอบเป็นโคจรคือตรึกไปในสัมมาสังกปะคนที่ตรึกไปในสัมมาสังกรประได้มากแสดงว่ามีสติคนที่รักษาจิตไม่ให้จิตตกไปในบาปและอกุศลได้นั่นแหละเรียกว่ามีสติเมื่อถือเอาสเตนซีอินรีห้าที่เหลือก็เป็นอันถือเอาแลว้ว นะถ้าพูดถึงสติแล้วนะศรัท ธ, ธาวิริยะสมาธิและปัญญาก็เชื่อว่าพูดแล้วเพราะเพราะมีลักษณะเหมือนกันอันนะั้นลักษณะเหมือนกันโดยการนําออกจากวัตตะเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อถือเอาสัมมาทิฏฐิด้วยคําว่าสัมมาทิฏฐิปุเรขาโรก็เรียกว่ากระทําสัมมาทิฏฐิไว้เบื้องหน้าหรือหรือแปลภาษาไทยว่าเดินตามสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวเนี่ยนะอันนะั้นแหละนะนะนะถ้าถือเอาสัมมาทิฏฐิอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 ก็เชื่อว่าถือเอาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสัมมาสังกัปะเกิดจากสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาเกิดจากสัมมาสังกัปะสัมมากัมมันตะเกิดจากสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเกิดจากสัมมากัมมันตะสัมมาวายมะเกิดจากสัมมาอชีวะสัมมาสติเกิดจากสัมมาวายมะสัมมาสติเอ่อสัมมาสมาธิเกิดจาก สัมมาสติสัมมาวิมุติเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติญาณทัศนะเกิดจากสัมมาวิมุติก็กล่าวง่ายๆว่าสมาธิฏิเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาวาจาสัมมาวาจาเป็นเหตุให้เกิดสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะเป็นเหตุให้เกิดสมมาชีวะสัมมาชีวะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาวายามะสัมมาวายามะเป็นเหตุให้เกิด สัมมาสติสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดสัมมาวิมุติสัมมาวิมุติก็เป็นเหตุให้เกิดสัมมาวิมุตติยานัทสนะเชื่อมโยงกันเป็นไปอย่างนี้แหละพรัน้าพูดอันหนึ่งก็ชื่อว่าพูดอันอื่นหมดแล้วถ้าสัมมาวิมุติแล้วก็ถือว่าละอบายละวัตตะได้โดยประการทั้งปวงแล้วพันสัมมาธิฏฐินำหน้าพันธยกถ้าถ้าใครที่ฟังทำเป็นเนี่ยนะ ถ้าฟังทำเป็นเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าสติปั๊บสตินเอ่อสติประธานสีก็ชื่อว่าแสดงแล้วอะไรอีกถ้าพูดว่า ส, สตินสี่ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วสติพละชื่อว่ากล่าวแล้วสติสัมโพชฌงชื่อว่ากล่าวแล้วสัมมาสติก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวสติประธาน 4, สีสัมมาประธานอิทิบาทอินทรียพละโพชฌงองค์มัชเจรินเข้ากับกล่าวแล้วถ้าเจริญ กล่าวโพธิปัจขยธรรมอย่างนี้แล้วก็เท่ากับกล่าวมัคคสัจจะแล้วถ้ากล่าวมัคคสัจจะเสร็จแล้วอริยสัจสี่ที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวอริยสัจสีทุกที่ว่าควรกำหนดรู้สมุทัยที่ว่าควรละนิโรธควรทําให้แจ้งก็ชื่อว่ากล่าวหมดแล้วสรุปเท่ากับกล่าวพระไตรปดฎกหมดแล้วโอยอะไรจะง่ายปานนั้นเนาะฟังมันง่ายง่ายสาธุขอให้ง่ายอย่างที่ฟังนี่จะเนาะจะได้ไม่อะไรจะทําให้ยากทําไมอ